u d d h a m r ā m a gacchā. u d d h a m m ā r a gacchā. u d d h a m m a a d a m a m a h d h a m a m g a c c h s m h a shararam g a t a s a h a m s h a r a a m g a t a s a h a m s h a r a a m g a t a a h m s h a r a a m gatam. แค่จุติจิตเดียวเนี่ยทาปฏิสนธิพบที่ไกลแสนไกลห่างกันไม่รู้เท่าไหร่คํานวณไม่ได้เลยความห่างกันเนี่ยเผลอๆบางคนออกนอกจากจากรวาสไปเลยไปคนละจักรวาสเลยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ในนรกกับในมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะหรือว่าในมนุษย์กับพวกรูปภพมารูปภมเนี่ยมองเห็นไหมล่คําว่าอนันตรูปเป็นงนี้ส่วนปะกาตูเนี่ยในแง่ของปะกาตูใช่ไหม เหตุธรรมที่ทำมาแล้วด้วยดีชื่อว่าปกติปกตาเนี่ยนะเหตุธรรมอันเป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าที่ได้ทำมาแล้วเนี่ยเป็นที่อาศัยที่มีกาลังแรงกล้าและที่ได้ทำมาแล้วทำมาแล้วดีหรือยงดีไหมทำมาแล้วได้ดีถ้าไม่ดีไม่ทำให้เราได้อะไรเกิดขึ้นในปัจจุบั น, นทีนี้ ในแง่ของที่บอกว่าเหตธรรมที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังแรงกล้าตามสภาวะของตนเนี่ยไม่เกี่ยวด้วยอำนาจของอารามณนะและก็ไม่เกี่ยวด้วยอานาจของอนันตระเนี่ยอันนั้นจึงเรียกว่าปกตูไม่เกี่ยวกับการเป็นอารมณ์เนะือและไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นสืบต่อกันนั่นแหละคือปกตูแล้วในแง่ของปกตูปณิสยาแล้วทีนี้ปร ะ, ประการต่อมาก็คือบอกว่า การที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับอารมณ์ปัจจัยไม่เกี่ยวกับอนันตรปัจจัยเนี่ยนะไม่เกี่ยวกันเลยถ้าเกี่ยวกับอารมณ์ปัจจัยไม่ใช่ปัจจุบันิสัยปัจจัยถ้าเกี่ยวกับอนันตรปัจจัยก็ไม่ใช่ปกตจุบันิสัยปัจจัยถ้าปัจจุบันนิสรยปัจจัยเหตุนั้นต้องสําเร็จมาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ที่มันได้มาแล้วเนี่ยอ่าเราได้อัตภาพมาแล้วใช่ไหม เราก็เลยมีอัตภาพนี้มาพอมีอัตภาพมาเนี้บุญจึงเกิดขึ้นกับเราบาปจึงเกิดขึ้นกับเราแปลว่าเหตุมันสําเร็จมาแล้วเนี่ยเหตุมันสําเร็จมาแล้วบุญหรือบาปจึงมาเกิดขึ้นเพราะเรามีอัตภาพนี้มีความคิดเป็นต้นเป็นไปเนี่ยเ อ, อดูตรงนี้ต่อนะคําว่าเหตุทำเหตุธทมเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงเหตุที่ตนได้กระทํามาด้วยตนเองอันนี้ก็คือเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอุปาทิตย อุปาทิตาเหตุคือเหตุที่ทำด้วยตนเองคำว่าเหตุทาเนี่ยนะเช่นเราทําเหตุมาด้วยตนเองเนี่ยและเหตุทาที่ผู้อื่นได้กระทำมาแล้วนี่ชื่อว่าอุปเสวิตาเหตุมันมีสองเหตุนะเหตุที่ตนเองทำมาด้วยตนเองกับเหตุที่คนอื่นทำเหตุที่ทำมาด้วยตนเองเนี่ยที่ที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยเช่นว่าฆ่าสัตว์นี่นะ รักทรัพย์ประพฤติผิดในการหรือการการักษาศีลการเจริญภาวนาะอันนี้เป็นเหตุธรรมที่เราทํามาด้วยตัวเองเป็นปัใจจัยให้เกิดผลได้ไหมเป็นปัจจัยที่ให้เกิดขึ้นให้ผลขึ้นให้สมควรแก่การกระทํานั้นๆแต่มันคนละอย่างกับนานาขันธิกกรรมเนอนะเหตุธรรมตรงเนี้ยคนละอย่างกันก็เรียกเหตุธรรมที่ทํามาแล้วทํามาแล้วด้วยดีอ่ะฆ่าสัตว์มาแล้วรักทรัพย์มาแล้ว อะไรอย่างตา่างเหล่านี้มันเหตุทําเนี่ยให้เหตุทําเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วถามหน่อยว่าอุปนิสัยแห่งการคิดจะฆ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยไหมถ้าคนเคยฆ่านั่นไงประกตูปณิสตยะปัจจใจอ่ะทำไมมันชํานาญอยู่เรื่อยมันจะทําอยู่เรื่อยบอกงั้นน่อยเนยเพราะมันทํามาแล้วด้วยดีเคยเป็นใช่ไหมอยู่ดีๆบางทีมันอยากจะร้องกรี๊ดกรี๊ดออกมาซะกันเลย <laughs> เพราะอะไรแล้วมันเหตุทํามันทําสําเร็จมาแล้ว มันเคยร้องมาจนชำนาญมาแล้วของนันเนะี่ยมันจะร้องอยู่เลยบางทีอยู่คนเดียวบอกก้มโวยบางทีอยากจะตะกรอะไรเงี้ยหรือบางทีเนะี่ยบางคนเนี่ยอยากจะทุบอะไรแรงๆนี่แปลว่าอะไรเนะี่ยแต่ถามมาลาได้ยังมันยังไม่ได้เหตุมันมันได้เหตุสมควรแกิดการที่จะเกิดแต่ที่แน่ๆคือเถียงไม่ยอมเนะี่ย <laughs> <laughs> องเห็นไหม เลยขาบอกจะอธิบายให้ฟังก็ว่ากันนะแต่นั่นแหละก็คือจิตมันขึ้นแล้วมันลุกแล้วนี่คือเหตุธรรมที่มันทำมามองออกได้ยังอ่ะเหมือนกับความความกรณีกัรไอลักษณะว่าหรือจิตที่น้อมไปในบุญเงี้ใช่ไหมถามว่าที่น้อมไปในบุญเนี่ยเห็นอริยสัจหรือยังเห็นหร้อยัง ยังไม่เห็นใช่ไหมเขาเรียกว่าในกลุ่มของพวกเราเน yani, hey. wow. okay. ี่ยเขาเรียกว่าสิษย์มีครูสิทธิ์มีอาจารย์เนี่ยมันดีมันดีตรงที่ว่าตาบอดแต่มีอาจารย์เนี่ยใช่ไหมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกบอดบอดไม่ไร้ที่พึ่งยังไม่เห็นอริยสัจหรอกแต่มันยังมีที่พึ่งแต่บางกลุ่มเนี่ยไม่เห็นอริยสัจด้วยและไม่มีอาจารย์ด้วยสิทธิ์ไม่มีอาจารย์เขาบ ว้าเหวกลุ่มนี้ว้าเหวมากนอนก็สะดุง้งทําท่าพูดปลอบใจตัวเองววันๆใช่ไมไม่มีแต่อย่างเราบางทีก็เป็นกันนั่นทําไมต้องเป็นโอ้ยอริยสัตว์ักน้อยก็ท่องได้หมดแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นฉะนั้นคําว่าเหตุเนี่ยนะตนเองทํามานั้นอย่างหนึ่งและคนอื่นทําให้นั้นอย่างหนึ่งเจ้าไหมไอ้คาว่าเหตุสองประการเนี่ยเช่นว่าเหตุที่พ้นคนอื่นทํามาเช่น เห็นคนอื่นเขาโกงแล้วรวยเนะี่ยก็คิดว่าเออดีนะใช่ไหมเห็นคนอื่นเขาโกงเห็นคนอื่นเขาทำอะไรต่างๆไม่ดีบอกเออดีเลยเดี๋ยวลองทำมั่งมั่ง๋หมมันก็เลยอาศัยเหตุจากคนอื่นทำก็เลยทำหรือในแง่เดียวกันเนะ่ะเห็นคนอื่นทําไม่ดีเราก็เลยน้อมทําดียิ่งขึ้นไม่ประมาทเหมือนคนอื่นเขาไอ้อย่างนี้ก็อาศัยเหตุของคนอื่นไหมนี่ปกตัวเป็นอย่างนี้ ได้ไนี่เป็นอย่างนี้ทำที่เป็นปกติคือเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะนี่นี่เป็นอย่างนี้ปัญหาก็คือว่าอาศัยการชอบโกงของบุคคลอื่นอาศัยการรักขโมยของบุคคลอื่นอาศัยปาณาติบาตของบุคคลอื่นแล้วยังกุศลหรืออกุศลให้เป็นไปในจิตสันดานแห่งตนอันนี้ลักษณะอย่างนี้คือปัจตูบันิสยานปัจจัยเนะือ เป็นเยอะใช่ไหมยังไงยังไงให้มันผลิตบุญได้ก็แล้วกั น, นเป็นปกตัวที่เป็นบุญก็แล้วกันใช่ไหมจ๊ะแช่งี้ได้ดีวเวลาเห็นอย่างนี้นะถ้าตรึกให้ถูกทันทับเดินเดินเดินไปเห็นอบาศาสตร์โผล่พวดมาอะไเงี้ยนะเห็นพวกหมาวังแมวบังเป็นต้นเนี<___่ยนะมันบิงผ่านหน้าไปเนี่ย<___คิดทันทีเดยตรึกทันทีใช่ไหมแล้วก็น้อมในที่สุดต่อมาจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมา ก็น้อมที่จะทําดี ย, ยิ่งยิ่งขึ้นทํากุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นให้เป็นไปเนี่ยแต่ไม่ได้แง่ในอา ร, รมณะปัจจัยไม่ใช่นะไม่ใช่ไปเอาเขาเป็นอารมณ์แต่ว่าเห็นอย่างนั้นแล้วมันเตือนอัธยาศัยเดิมๆทาให้กุศลเป็นไปแต่ถ้าทําบาปให้เป็นไปว่าโอ้ยเยอะแยะเพื่อนก็มากมาเห็นน่ากลัวเลยบอกงั่นนะแต่ว่าคิดไหวหวาเสียวยังไงนะ คิดยังไงรู้ไหมประชากรห้าพันกล้านนี้มั้ยที่เหลือนอกนั้นอาบายศาสตร์หมดเลย ล, ล้อมเราโหเยอะไปหมดถ้าคิดอย่างนี้เป็นไงเนี่ยโ <c oughs> อ้มันใกล้เราแล้วใกล้จนไม่ใกล้จนบางคนน้อมที่อยากอยู่กับเขาได้สบายสบายแล้วไม่รู้เมตตาหรือโมหะเขาไม่รู้บางทีเฮ้ยสังเกตดูไหมดูอยู่เล่นกับเขาเนี่ยไม่รู้เมตตาหรือโมหะบางครั้งก็เมตตาบางครั้งก็โมหะใช่ไหมฮะ ไม่รู้เมตาหรือมอัวแต่ก็ต้องทําก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคิดให้เป็นบุญก็แล้วกันถ้าคิดให้เป็นบุญเป็นประโยชน์เลยนะเป็นประโยชน์ทันทีเลยแต่อย่ากเกี่ยวข้องมากนะถ้าเกี่ยวข้องมากถึงกับนอนไม่หลับเลยมันไม่ได้กินข้าวนี่ลําบากกันนะทั้งยิ่งคิดหนักเลยเป็นนองอับอายศาสตร์ไม่ได้กินข้าวเคยคิดกันขนาดนั้นไหมเคยกังวลขนาดนั้นไหมมีใช่ไหมคิดหนักนึ้น นี้เข้าใจคําว่าปากตูปนิสยปั จ, จัยนี้เราก็เอามาเชื่อมตรงนี้ได้นะไอ้คําว่ากรรมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยกากาละแก่ปฏิสนธิกามะชรูปในอสัญญาสัตตภูมิและก็ประวัติกรรมชรูปในปัญจโวกะรภูมิและในเอกโวกะรภูมิไดังนั้ปัจจัยหนึ่งคือปกตูปนิสยปัจจัยพอจะเข้าใจอย่างเดี๋ยนี้พอจะเข้าใจเลยนะทีนี้วิญญาณในปฏิส น, นธิวิญญาณก็ดีวิปากวิญญาณก็ดีเป็นปัจจัย9 อย่างโดยความเป็นสหาชาตบปัจจัยเป็นต้นนี่ก็ได้ทีนี้เราดูอย่างนี้ถ้าจะต่อไปอีกนิดนึงนะวิญญาณในปฏิสนธิวิญญาณหรือวิปากะปืปติวิญญาณเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรถ้าหากเป็นปัจจัยในแง่ของ ถ้าโดยศาชาตปัจจัยอัญญาบรญยานิสยาสัมบยุตตวิปากอาหารอินทริยาอัติอวิคตะแก่นามแจดสิกซึ่งละคนด้วยนามบ้างรูปบ้างเป็นเก้าอย่างเหมือนกันนะเป็นเก้าอย่างเหมือนกันไอตัวกรร ม, มวิญญาณเนี่ยเนีเป็นปัจจัยสามารถอเป็นอุปนิสยาปัจจัยแก่อสัญญสตากรรมชรูปบ้างแก่กรรมชรูปในปัญจโวกาล พบบ้างอันนี้ตามควรแก่นามรูปนั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยอะไรในแง่ของปัจตูนะในแง่ของปัจตูปนิสัยปัจจัยนี่เป็นอย่างนี้นี่แหละในแง่ของที่บอกว่าวิญญาณกรรมมวิญญาณเป็นปัจจัยช่วยกกาและแก่ปฏิสนธิกรร ม, มชรูปในสัญญาสตภูมิและประวัติกรรมชรูปในปัญจโวการภูมิเอกโวการภูมิ ได้อํานาจปัจจัยหนึ่งนี่นี่เป็นอย่างนี้นะนี่จบแล้วปัจตูปนิสยปัจจัยมีใครสงสัยปัจตูปนิสยปัจจัยบ้างไหมเอาอย่างนี้นะตรงนี้ถะหน้าตรึกตรงนี้นิดนึ่งเดี๋ยวจะไม่เข้าใจปัจตูปนิสยปัจจัยปานาปฏิบาตเป็นปัจจัยเกิดอาทินาทานได้ไหมไปลักแล้วฆ่าด้วยได้ไหมได้อธินาทานเป็นปัจจัยเกิดการเมโซมิฉาจานได้ไหม เอาเริ่มได้เลยกล้นีประพฤติผิดในกามด้วยกาเมียสมิชฌาจารเป็นปัจัยเกิดมูสาวาฏได้ไหมเอาเริได้มุสาวาฏเป็นปัจจัยเกิดปิสุนาวาจาผู้อเสียดปิสุนาวาจาเป็นปัจจัยเกิดพรุสวาจาพุรุสวาจาเป็นปัจจัยเกิดอภิชาเป็นปัจจัยเกิดพยาบาทเป็นปัจจัยเกิดมิชฌาทิฏฐิเนี่ย ที่ในตรงกันข้ามอะปาณาติบาตเป็นปัจจัยเกิดเมตตาได้ไหเออลองดูองค์ครีมานฆ่าคนมากๆแล้วต่อมาต้องมาเมตตาไหมปะกตูได้ตอนนี้กำลังอธิบายปะกตูเป็นนิสัยปยัจจัยใช่ไหมต่อมากลายเป็นคนมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเนี่ยนะเจริญอย่างงอกงามในพระธรรมวินยัยเพราะปาณาติบาต ได้ไหมอาทินนาทานเป็นปจัจจัยเกิดการให้ก็ได้กาเมสุมิฉาจารเป็นปัจจัยให้การให้เกิดการประพฤติสารวมในกาหมยิ่งขึ้นก็ได้มูสาวาดเป็นปัจจัยให้พูดคำสัตว์คำจริงก็ได้เถ้ามองตามวงจรในลักษณะอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นคำว่าปกตูปนิสยปาปัจจัยว่าเป็นที่อาศัยที่มีกาลังนะเป็นเหตุธรรมที่ทาสำเร็จแล้ว คือมันทำสำเร็จมาแล้วตรงนั้นต่อมาก็ยังกุศลให้เป็นไปก็ได้นี่เป็นอย่างนี้นะมองเห็นนี่ยังแต่นี้หน้าตาปกตัววัณณิสยาปัจใจเริ่มจะเด่นเด่นค่อยๆโมานะเริ่มจะเห็นหน้าเห็นตามากขึ้นกว้างมากนี่เป็นนี้ตรงนี้เริ่มชัดขึ้นนะตรงเนี้ยนะ เ, ออเดี๋ยวย้อนไปดูเรื่องเรื่องนามกับรูปหน่อยนะโดยเฉพาะรูปเนี่ย เราไปดูกลุ่มของรูปหน่อยในรูปสามสิบรูปถามว่าในสามสิบรูปเนี่ยนะมีอะไรบ้างอะอำนาจของกระาบสี่ใช่มจกักรูตี่ตรงนี้ต้องสามสิบรูปบวกสามสิบรูปบวกเก้าสี่สี่กระราบาในรูปประพรมเนี่ยใช่ไพวารูปประพมนะรูปประพมมีจกักขูทัสนกระาบสิบโสตทัศนกระาบสิบแล้วก็ วัตถุท่าศากะาบอีก10บชีวิตนวากะ า, าบเก้ารวมเป็นสาสิบเก้านี่ยนะสามสิบบวกเก้าเนี่ยนะนยนะ่ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฏิสนธิวิญญาณช่มั้ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะในเหล่าศาสตร์ผู้เป็นโอปปาติกาคำเนิดคือพวกรูปภพเนี่ยนะส่วนทว่ายอย่างสูงล่ะเจสิบรูปไหม จากขูท่ทัศโสตรทาทศาัศน์คานทาทัศชิวหาทศาัศนกายะทศัศวัตถุทศัศนและภาวะทศัศน์เจ็ดกราบใช่กราบละสิบใช่ไหมเจ็ดสิบรูปนะเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณในเหล่าสัตว์ที่เกิดเป็นสังเสทชะและโอปปาติกาคำเนิดจำพวกอื่นนะเว้นพวกรูปภพ ทีนี้ว่ารูปเจ็ดสิบรูปนั้นเกิดขึ้นแ ก, พกพ่พวกเทพพวกเทวดาเป็นนิดฐ์เทวดาที่ไปเกิดอุบัติเกิดขึ้นมานั้นกลุ่มเจ็ดสิบรูปเนี่ยเว้นรูปภพมออกไปเริ่มองเห็นไหมว่าเนี่ยคือกลุ่มรูปที่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณหรือเกิดพร้อมกันกับวิญญาณทีนี้ในทัศรูปคือรูปกลุ่มรูปเหล่านั้นก็มีอะไรว้างอะมีดิน ่ไหมมหาโพธรูรเสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยนะแล้วก็สีกลิ่นรสแล้วก็ o โอชารูแปดรรปเนี่ยนะบวกจากขูปาษาษ่ประสาทและชีวิตชื่อว่าจากขู่ทัศสิบทั้งสิบทัาสาที่เหลือก็ลักษณะอย่างเงี้ยเขาก็นับกันไปอย่างเงี้ยเช่นทัศโสตะทัศนกรกราบใก็มีอะไรบ้างอะ่ะอาอี้โพกรูปแปดนั่นแหละจริงๆก็คือนับยังไงนันบ ดินน้ำไฟลมสีกินรดโอชานี่เป็นแดชีวิตรูปด้วยแล้วก็โสต ะ, ะโซตะประาศด้วยก็รวมเป็นสิบรูปใช่ไหมอย่างนั้นในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสิบสิบเจ็ดครั้งก็คือเจ็ดสิบรูปสิบสามครั้งก็คือสามสิบรูปถ้าบวกเก้าก็ส9สบถามว่าทีนี้อย่างต่ำพวกรูปสามสิบรูป สามสิบรูปก็คือเขาเรียกสามกราบนั่นแหละมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะกายะท่าสะกกราบภาวะท่าสะกกราบแล้วก็วัตถุท่าสะกกราบสามสิบรูปคือกลุ่มอย่างเราๆได้กี่รูปปฏิสนธิครั้งแรกสามสิบรูปเกิดพร้อมกับวิญญาณไหมเนี่ยรูปเหล่านี้เกิดพร้อมกับวิญญาณไหมเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณที่อุปาทขณะนั่นแหละเนี่ยอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ ชิวหากายยะและวัตถุย่อมเกิดขึ้นแก่คนอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพวกที่ตาบอดหูหนวกแต่กําเนิดจมูกด้วนหนึ่งไม่มีคณนาษาสกกระเทยเป็นต้นเนะีรูปกระาบในระหว่างปริมาณอย่างสูงและอย่างต่ำคือในระหว่างเจ็ดสิบและสามสิบตามสมควรเนะก็ให้ให ให้กันกรองลงมาตามนั้นเขาบอกว่าเมื่อตรึกพิจารณากลุ่มของว่าบางคนก็ขาดตกบกพ่องบางคนก็ถึงเวลาจะเกิดก็ไม่เกิดเลยต่างๆเหล่านี้นะทราบอย่างนี้แล้วก็ให้กำหนดรู้ความแตกและความแตกต่างกันไม่แตกต่างกันแห่งจุตติและปฏิสนธิโดยขันที่ว่ากันให้ให้พิจารณาต่างแล้วก็พิจารณาความต่างกันแห่งอารมณ์พิจารณาความต่างกันแห่งคติ พิจารณาความต่างกันแห่งเหตุแห่งเวทนาแห่งปีติแห่งวิตกเนี่ยนะแห่งวิจารลักษณะอย่างนั้นคือการตรึกการพิจารณาเพื่อทําความเข้าใจกลุ่มสัตว์เหล่านั้นทีนี้ความแตกฉานในพระธรรมก็จะมีมากขึ้นนะและเราก็จะทําให้สังเวยสลดใจมากขึ้นเออเป็นอย่างนี้จริงๆนะสัตว์โลกนะว่างั้นนะต่างกันไหยต่างกันเยอะเนะปฏิสนธินะอย่างเนี้ยกรณีที่ว่าปฏิสนธิ แบบทั้งนามและรูปเกิดพร้อมกันเนี่ยเขาเรียกกลุ่มปฏิสนธิผสมรูปก็ทําปฏิสนธิไหมรูปก็ทําปฏิสนธิน้ํนาก็ทําปฏิสนธิเขาเรียกปฏิสนธิจิตปฏิสนธิเจตสิกปฏิสนธิกัมมัชรูุเบอร์เงินเนี่ยทำหน้าที่ปฏิสนธินี้ผสมไหมกลุ่มนี้คือกลุ่มปฏิสนธิผสมดีนะผสมกันดีหน่อยออกมาจึงเป็นแบบเนี้เห็นไหมทำมาแต่ รูปบางส่วนมาไอ้บางส่วนไม่ยอมเกิดถึงเวลาจะเกิดไม่เกิดยุงอะไรน่ะถ้าพวกโอปปาติกาตนี่เขาโล่งแต่ทีแรกเลยเนี่ยปุ๊บเดียวแค่นั้นเขาโอ้โหสมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นพวกอบายสัตว์ก็โอ้โหอะไรขาดก็ขาดเขาก็เห็นเลยเห็นเห็นเลยอะหวังนั้นแต่แต่อย่างเราโอ้โหลารุ้นกันหลายเดือนเนี่ยลารุนหลายเดือนเขาบอกว่าปฏิสนทีเนี่ยนะเกี่ยวกันในเรื่องของปฏิสนทิ บางทีการมาการมาวัจระปฏิสนธิอันมีขันครบห้าขันมีในลําดับแห่งอรูปปฏิสนธิสคือจุติจากอารูปภูมิมาก็มีมาจากกามาวจระภูมิก็มีบางทีอรูปปฏิสนธิมีขันสี่มีมาในลำดับแห่งการมาวัจระจุติมีขันห้าก็มีก็แปลว่าเมื่อลำดับของขันเนี่ยมันจะไม่แน่นอนมันสลับบางทีปัจจุบันเนี่ยเอาเราได้ละ5้าใช่ไหม รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่องไว้ท่องไว้หูเข้าใจปุ๊บไปอีกทีขาดบางส่วนคือมันมาแต่มันมาไม่ครบรูปประคันก็มานะแต่จกัาากขโคทัศก์กราบไม่มาเอ้โหยอย่างนี้เสร็จเลยไงนนะบางกลุ่มก็โสตัทัศกะกราบไม่มาบางตุงกลุ่มก็คานะทัะชิวหาทัะกายาทัศก็ ก, กวาดไปแต่ทัศกายาทัศไม่มายุ่งเลยนะตายอย่างเดียวนะตาย แต่แต่มันมีทุกขติปฏิสนทีบางอย่างมีลำดบับแห่งสุคตินะจุตินะเช่นว่าสุคติจุติลงปฏิลงลงทุกขติทันทีเลยเช่นบางคนตายไปไปเกิดเป็นสัตว์บางชนิดเนี่ ย, าา อ, ยาอาเหตุกาปฏิสนทีมีในลำดับแห่งอเหตุกาจุติมีไหมมีใช่ไหมคือหมายถึงบอกว่าอาเหตุกาปฏิจุติ เช่นพวกบ้าบใบบอดนวกจุติปุ๊บพบต่อไปได้เสเหตุกาปฏิสนธิเลยได้ดีหน่อยอยากได้เสเหตุุกาปฏิสนธิหรือไอเหตุกาปฏิสนธิเฮ้ยเสียเหมือนที่ว่ออ า, าจำผิดแต่แล้วฟังไปฟังมาบอกเสียก็เอาไอเหตุุกาปฏิสนธิมีในลําดับทวีเหตุกาจุติก็มีอะ ไม่มาจากไอมาจากควิเหตุกาปฏิสนธิมาได้ติเหตุกาปฏิสนธิก็มีปฏิสนธิที่เป็นโสมนัตแหละมีในลําดับจุติที่เป็นอุเบขา ม, มีไหมมียังไโอ้แต่ก่อนได้ได้จุได้อุเบขาจุติหรือได้อุเบขาปฏิสนธิแล้วรวังมามเก็เขา้ามาทำได้ที่จติพอมาอีกพวกนึงเป็นโสมานัตน่าชื่นใจหน่อยนะโสมานัต เสียด้เป็นวิบเท่านั้นแหละกว่างถ้าอย่างนี้โอ้เสียเลยเป็นวิบ ป, ประยุทธ์นนะบอกแม่มอุตส่าร่าเลงแล้วนะยังบอกเป็นวิบถ้าจนได้กางนะ่เอาใหม่ อ, อุเบกขาคือปฏิสนธิที่เป็นปีติในลำดับจุดติที่ไม่ประกอบด้วยปีติก็มีนะวกวางน่นบางทีนะไหม บางทีในปีติประกอบนะแต่พอต่อมาก็ไม่มีปีติถ้าว่าโดยปารมัิแล้วเนะี่ยวิญญาณที่ได้ปัจจัยก็นั่นเป็นเพราะว่าธรรมนั้นถึงพบอื่นด้วยการเคลื่อนจากพบนั้นก็ไม่มีแต่ เ, เว้นเหตุแต่พบนั้นเสียแล้ว ก็จะไม่มีในภพนี้ว่าไหมที่จริงมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาอะไรนะที่ผมพูดถึงสัตว์เกิดบุคคลเกิดใดๆเนี่ยนะถ้าว่าโดยปรมาทัแล้วนะไม่ใช่นะวิญญาณนะ่ะที่ได้ปัจจัยเท่านั้นนะมันไม่ใช่วิ่งจากภพนู้นแล้วมาสู่ภพนี้แต่เพราะเหตุปัใจจัยในภพนั้นดับและผลคือปัจจุบันในภพนี้จึงเกิดขึ้นนะเนะก็ให้พิจารณาวิญญาณที่ได้ปัจจนะัยเนี่ย เป็นเพียงรูปและอารมูปว่าไงเข้าถึงพบอื่นถามว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะนะอีกทั้งความเคลื่อนจากอดีตมาในพบนี้ไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ถามว่าถ้าเว้นเหตุในอดีตจะพบเสียแล้วความปรากฏในพบนี้ของมันก็จะไม่มีว่าไงวิธีตรึกพิจารณาอย่างนี้ก็บอกจะได้เห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลนะที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาเนี่ย ถามว่าในอดีตแต่พบเมื่อบุคคลจนจะตายเนี่ยเพราะความสิ้นไปเองหรือเพราะการกระทำร้ า, ายก็ตามไม่อาจจะทนความรุมแห่งสตราวุฒหรือว่าอนติเวทนาหรือความเจ็บปวดทั้งหลายได้เนี่ยถึงกับการว่าเชื่อเชือนอวัยวะน้อยใหญ่เหลือที่จะทนขั้นร่างกายสูบซีดไปโดยลำดับดุดใบตาลสดที่เขาวางไว้ในแดดเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น ขันอินรียทั้งหลายมีจักขู่เป็นต้นดับใช่ไหมตาดับเลยกายยินรียมานินรียชีวิตคงเหลืออยู่แต่ในอัยัตถัโยวิญญาณซึ่งอาศัยอัตยัตัตุนั้นที่เหลืออยู่ในขณะนั้นก็ปาราบเอาครุกรรมกรรมหนักกรรมที่ทําเนืองเนืองอาสันนกรรมหรือกรรมที่ทําใกล้ตายปุบเพหรือกรรมที่ทําไว้แต่ปางก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่สังขารอันได้ปัจจัยที่เหลือ มีอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะก็ปารบเอาทีนี้ซึ่งได้แก่กรรมนิมิตรหรือคตินิมิตรหรือกรรมอารมณ์เป็นต้นนะีปรากฏเกิดขึ้นเป็นต้นนะี่ยนะถามว่าตันหาเป็นวิสัยอันมีโทษที่มีอวิชชาปกปิดไว้เพราะยังละตันหาไม่ได้หรือไหมถ้าถามบอกว่าวิญญาณที่เป็นไปอยู่อย่างนี้นะั้นะบ่าสังขารคือเจตนาที่เกิดร่วมกันก็ดี ช่วยซัตว์วิญญาณ น, นั้นเป็นไปวิญญาณที่ถูกตัณหาสัตว์ไปถูกสังขารทั้งหลายซัดไปด้วยอาํานาจแห่งสัญตติอยู่นั้นก็ละทิ้งที่อาศัยคือหาทายวัตถุทิ้งหัวใจทันทีมันถูกคือหาทายวัตถุนี้เป็นของเดิมใช่ไหมกว่าที่จะพัดพลากหาทายวัตถุไปได้ที่อาศัยใหม่อันมีกรรมสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นไปด้วยอาํานาจแห่งปัจจัยมีอารมณ์เป็นต้นเท่านั้นด้วย ดุดคนหน่วงเชือกที่ผูกต้นไม้ที่ฝังไว้ให้ข้ามคลองไปเลฉนะนัตที่จริงนะที่มันข้ามคลองไปได้เนี่ยนะถ้ามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยแต่ละขณาดนะมันเกื้อนหนุนกันหมดเลยนะไม่ใช่ก ร, รมอย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นตัวให้อย่างเดียวเนี่ยมันมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอีกเยอะถามว่าเชือกที่เราโหนเนี่ยเราโหนขนาดนี้ไม่ใช่โหนอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นนะ ถามว่าตัวเราที่มันข้ามไปได้มันต้องอาศัยแรงไหมต้องอาศัยแรงช่วยด้วยและต้องอาศัยความที่เพียรพยายามได้เหมาะสมด้วยไงนนะแล้วก็อาศัยมือที่ดึงด้วยอาศัยเชือกอาศัยไม้ที่เชื่อมโยงด้วยและอาศัยซื้เชือกเส้นเชือกแต่ละเส้นแต่ละเส้นที่มันฟันรวมกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะเยอแยหมดเลยนะ มองเห็นได้อย่างว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เขาต้องการจะพูดเนี่ยวิญญาณเป็นต้นเป็นไปนี้วิญญาณดวงก่อนเรียกว่าจุติวิญญาณเพราะเคลื่อนไปดวงหลังเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเพรสืบต่อมาแต่เบื้องต้นแห่งแห่งพบอื่นอันวิญญาณ น, นี้นั้นบัณฑิตพึงทราบเถิดว่ามันมาณะพบนี้จากพบก่อนก็หาไม่ได้ ท่านผู้รู้ผู้มีปัญญาให้คิดอย่างนั้นว่าวิญญาณที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไปบอกว่ามันวิ่งมาจากพบก่อนมันจึงเกิดขึ้นมาก็หาไม่ได้ใช่เหมือนที่ว่าข้ามมาได้เนี่ยใช่อีกทั้งเว้นเหตุถามว่าถ้าเว้นเหตุคือกรรมเว้นเหตุคือสังขารเว้นเหตุคือตัณหาเป็นผู้ชักและวิสัยเป็นต้นของพบก่อนนั่นเสีย มันก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เหมือนกันถามบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีกรรมการปฏิสนธิจะมีได้ไหมถ้าไม่มีสังขารถ้ามีกรรมมีสังขารอย่างเดียวต้องมีตัณหาด้วยไหมต้องมีตัณหาคอยประกอบด้วยคอยเชื่อมด้วยถ้างั้นมันเชื่อมไม่ติดเรอไอ้ตัวยางเหนียวคอยเชื่อมหรื อ, ออ๋อยางไง ห, หมายบางทีของบางอย่างเราไปทากาวไม่อยากติดใช่ไหมไม่อยากติด แต่ถ้าหากได้เหตุอันสมควรเราโหติดแก่ไม่ออกเลยใช่ไหมมันมีเหตุหลายอย่างนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะทีนี้ไอ้เกี่ยวกันในเรื่องของคำส่งการส่งผลเราย้อนไปดูไงรู้ไหมผลผลของกรรมเนี่ยนะที่มีในสันดานเ็าว่าที่มีในขันทันดานแต่ผลของกรรมเนี่ยนะคือการสืบต่อกันเนี่ยนะถามว่า ที่มีการสืบต่อกันมาเนี่ยหามีแก่ผู้อื่นไม่หรือหามีแก่กรรมอื่นไม่มีอภิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งหรือพืชทั้งหลายเป็นสาธารณแห่งความข้อ น, นี้บอกผลแห่งกรรมนี่นะเมื่อเกิดขึ้นในสันดานใดสันดานหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นสืบต่อเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นขันใดขันหนึ่งเนี่ยเพราะความเป็นไปอันเดียวกันและความต่างกันเด็ดขาดในความสืบต่ออันหนึ่งที่ถูกปฏิสนธิ เขาบอกว่าต่อมาก็หาว่ากลายเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นหรือเป็นเกิดขึ้นแต่กรรมอื่นๆืนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมสภาพที่ปรุงแต่งแห่งพืชทั้งหลายเนี่ยถามว่าสภาพที่ปรุงแต่งแห่งพืชทั้งหลายถามว่าพืชทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยปัจจัยหลายปัจจัยใช่ไหมย่อหมูถามว่าปลูกหักเนี่ยอาศัยอะไรจะมาแต่หน้าแรง จักมือเขาไปไปไม่เป็นแล้วแต่เนี้ยใช่ไหมมันไม่ขึ้นนะมันเริ่มจะไปไม่เป็นแล้วเพราะได้ปัจจัยในการสืบต่ออย่างพืชนั้นเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้มันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็ว่างทีนี้ว่าไอการเกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงไอคาว่าคว า, ความสมมุติว่ามีผู้เสวยเนี่ยคือผู้รับผลเนี่ยนะ ย่อมเป็นอันสําเร็จได้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลเปรียบเหมือนสมมุติก ว, ว่ามีผลอันสําเร็จได้ด้วยความเกิดขึ้นของผลเขาบอกว่าอะไรเหมือนอย่างว่าต้นไม้จะเรียกว่ามีผลหรือว่าเมล็ดผลก็ตามก็ได้วความเกิดขึ้นแห่งผ ล, ลไม้อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกกันว่าต้นไม้นั่นเองชั้นใดเทวดามนุษย์จะเรียกว่าได้เสวยผล เรียกว่าผู้ได้รับความสุขผู้ได้รับความทุกข์ก็ตามก็ด้วยความเกิดขึ้นและเห่งความสุขความนับเนื่องกิเป็นอุปโภคของเสวยส่วนว่าเป็นอย่างหนึ่งของกว่าขันทั้งหลายที่เรียกว่าเทวดาและมนุษย์นั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นความหมายอะไรอะไรเป็นผู้เสวยอื่นอ น, นอกไปจากขันในข้อความของคูเสวยผล น, นีหามีไม่ก็หมายความบอกว่าเวลาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่มาเรียกเป็นมนุษย์ เรียกว่าเทวดาและเทวดาหรือมนุษย์ที่ได้เสวยผลได้ไมได้เสวยเช่นได้เห็นได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นถามว่าใครเป็นคนเสวยใครเป็นคนเสวยเราใช่ไหม่าแยกแยะดูแล้ว่าวเช่นผลของกุศลส่งทางจักขคูวิญญาณมันไล่มาตามระดับว่าเป็นอติมหันดารมใช่ไหมอารมณ์ที่แรงมากเนีย และเป็นอารมณ์ดีด้วยเป็นอิทธารมณด้วยพอมาตามลําดับต่อมาก็เริ่มเข้าสู่ครองของจักขุทวารวะเ ง, งินลำดับแรกก็คือว่าอารมณ์นั้นกระทบกับจักขุทวารแล้วพอเป็นผวังคจารณาเป็นไปกลายเป็นดับไปเฮ้ยผวังกัจจารณาหรือเปล่าสเสวยเอาดับไปซะแล้วเอาผวังคูประเชทะเอาก็ไม่ใช่เกิดขึ้นดับไปอีกแล้วหรือ ปัญจะทะวารและวชิะเสวยไม่ใช่เป็นกิริยาจากคุยัญญาณเสวยทีนั้นใช่ไหมจกคุยัญญาณก็ไม่รู้ว่าตนเองเสวยดับอีกแล้วสัมปติชนะสันติรลนะใช่ไหมพวกธรรมนาดับชาวนะเกิดขึ้นทำกรรมใหม่ทรงเลยเสวยใช่ไหมเสพอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าการทากิจแต่ละอย่างเขาก็ร่วงไปหมดแล้วฉะนั้นการที่บอกว่าเสวยนะใครเสวย มีว่าสาัตว์บุคคลเข้าไปเสวยไหมมีสัตว์บุคคลเข้าไปเสวยมียมสัตว์บุคลบคลที่ไปกินไปดื่มไปลิ้มไปเคี้ยวไปนั่งไปยืนไปเดินไปนอนไปคููไปเหยียดไหมเนี่ยก็จะเห็นว่าสาภาวธรรมเก่าวคือขันธานยาธนะเป็นไปแท้ๆเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าผู้เสวยไม่มีทีนี้พอคิดไปคิดมาเดี๋ยวเอ๊ะเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะบาปก็ได้ใช่ไหมผู้เสวยก็ไม่มีอยู่แล้ว ไอ้คำว่าพูดไม่พูดสวยก็ไม่มีเจ็บปวดไหมใช่ไหมเจ็บปวดไหมแต่ก็เจ็บปวด<อ>เมื่อทุกเกิดขึ้นแต่ก็สุขเมื่อสุขเกิดขึ้นใช่ไหมการมันรู้สึกเ อ, อิบอิ่มขันนั้นรู้สึกเ อ, อิบอิ่มขึ้นมาเมื่อได้รับอารมณ์ที่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้นนะนีน่เป็นอย่างนี้เขาถึงบอกว่าจักขูวิ ญ, ญญาณที่เป็นกุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นก็เพราะกุศ ล, ลกรรมฝ่าย กรรมที่ดีเนี่ยเป็นต้นเน่เกิดขึ้นมันเป็นปัจจัยมันเป็นผลเกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าวิบากที่เกิดขึ้นมานั้นก็เลยวิบากนั้นมันสุกงอมแล้วจะเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีนะแปลว่ามันสุกงอมแล้วมันถึงเกิดมันถึงได้รับผลนั้นนะมีเป็นอย่างนี้นะถ้าเรามองอย่างนีน้ในตัวกรรมที่ส่งผลเหมือนอย่างในทางโลกก็ ผู้ใดเป็นนายประกันเพื่อส่งผลประโยชน์อะไรอะไรให้กับเจ้าทรัพย์ซื้อของก็ตามกู้หนี้ก็ตามก็เพียงแต่การทำกิกริยานั้นการประกันหรือการซื้อการกู้แห่งผู้นั้นเท่านั้นเป็นปัจจัยในการส่งผลประโยชน์เป็นต้นหาใช้ความมีอยู่หรือไม่มีแห่งกิริยาเป็นปัจจัยไหมเพราะเบื้องหน้าแต่แห่งการส่งผลประโยชน์ให้แล้วเป็นต้น เขาก็ไม่เป็นลูกหนี้อีกเลยเพราะอะไรเพราะการส่งผลประโยชน์ให้เป็นต้นเขาได้ทําการแล้วชั้นใดแม้สังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยแห่งผลของตนเพราะทำผลเกิดขึ้นเท่านั้นและเบื้องหน้าแต่ตายให้ผลตามที่ควรเป็นไปแล้วมันก็ไม่เป็นปัจจัยนําผลนั้นให้อีกต่อไปชั้นนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะกรรมใดให้ผลไปแล้วมันหมดไปแล้วไม่ตัวตัวของมันนะั่นน มันหมดไปแล้วและมันก็ไม่กลับมาให้ผลอีกแล้วแต่มันเหลืออีกกรรมใหม่นี่แหละที่มันสืบแล้วให้ผลต่อไปและมันก็ให้ตอนมันไปให้เนี่ยมันก็ให้คนละผลก็อีกผลหนึ่งต่างหากไปรับใช่มเช่นว่าบาปใช่ไมบาปที่ทำปนานติบาต ท, ทำให้ได้เห็นไม่ดีเนี่ยนะให้ผลจากขวิญญาณ น, นั้นก็ดับไปแล้วไอตัวเหตุก็ดับไปแล้ว ต่อมาจากขูวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่จากอธินาทานมาเห็นที่ไม่ดีก็คนละกรรมเลยเห็นไหมคนละกรรมแล้วก็คนละผลเลยมองเห็นอย่างแต่เนี้ยเนี่ยการสืบเนื่องกันระหว่างเหตุกับผลมันเป็นไปในลักษณะอย่างนี้นี่เขาเรียกกลุ่มนี้คือกลุ่มสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนี่นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหากบอกว่าอการเป็นปัจจัยถ้าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนาม ไอ้ตัววิญญาณกับนามมีเกิดพร้อมกันเลยนะไอ้ตัววิญญาณกับนามเนี่เกิดพร้อมกันนะตัวปฏิสนธิวิญญาณก็ดีประวัติวิญญาณก็ดีเวลาเกิดขึ้นเนี่ยตัวน้ำเกิดไหมในขณะนั้นตัวนามก็เกิดเป็นไปในขณะนั้นเวลาาเวลาปฏิสนธิวิญญาณได้รับผลจากสังขารนามได้รับด้วยไหมนามก็รับด้วยเห็นไหมในลักษณะอย่างเนี้ยนามก็ได้รับไปด้วยนามก็รับไปด้วย เมื่อเมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับนามก็ดับปฏิสนที่วิญญาณเกิดปฏิสนที่นามก็เกิดถึงนี้นะเออเป็นไปอย่างนี้นะประวัติวิญญาณเกิดประวัตินามก็เกิดเขาเรียกไปด้วยกันเนี่ยในลักษณะการเป็นปัจจัยโดยความเป็นนามส่วนในส่วนของรูปนั้นก็เป็นบางส่วนนะนะเป็นบางส่วนมต่อไปขึ้นอายตนะหรือสรายตนะนี่นะ สรายตนาเป็นชื่อของอาญตนาภายในคำว่าสรายตนาในที่นี้นะเป็นชื่อของอาญตนาภายในเรียกกันว่าอัจฉติกายยตนามาจากคำว่าอายตนางสังสารวัตตังนยตีติอายตนางธรรมชาติใดทรงไวซึ่งสังสารวัติอันยืดยาวฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาญตนาได้แก่อายตนา12จักขายตนาโศตายตนาคานายตนา เยวหายตนากายายาตนามนายาตนาใช่จริงๆได้อายตนะสิบสองเหนือได้อายตนะสิบสองแต่ในที่นี้เอาอายตนะหกใช่ไหมเอาภายในที่จริงวัจนนาถาของเขาน่ยได้อายาตนาสิบสองนะมีรูปายาตนาสรัทธายาตนาคันทายาตนะราษายาตนาโพัพายาตนะและธรรมายาตนาใช่ไหมแยกออกไปเหลืออายตนาภายในเขาเรียกอัจฉติกายาตนาหก ทีนี้ชาอายตนานี้สรายาตนาเนีอายตนาทั้ง6ชื่อว่าสรายาตนาได้แก่อัจฉติยญาตนาหมีจักระยาตนาเป็นต้นเนี่ยนะสรายาตนาจัชชัฏฐายญตนาจัสรายาตนางก็คืออายตนาหด้วยอายตนาที่6ด้วยชื่อว่าสรายาตนาแล้วทำไมเรียกอายตนาที่6อายตนาที่6คืออะไรมนายญาตนาฉัฏฐายญตนาคืออายตนาที่ห หมายความว่าอายตนะอัชฉติกายตนะหกที่เป็นผลของนามรูปนี้เมื่อจําแนกโดยภูมิแล้วเนี่ยนะจําแนกยังไงดีเนี่ยเดีย๋ยวดูก่อนดูว่าไอ้คาว่าฉะไอ้อภัยอายตนะธรรมชาติได้ทรงไว้ซึ่งสังสารวัฏอันยาวนานฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่ออายตนะถ้าถามบอกว่าธรรมชาติที่ทําให้สังสารวัฏอันยาวนานเนี่ยเอาอายตนะสิบสอง เพราะอายตนะ12เนี่ยนะที่เขาบอกว่าเป็นที่เกิดใช่ไตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ชื่ออายตนะเพราะเป็นที่เกิดแห่งวิถีจิตบ่อยๆไอ้ตรงเนี้ยบาปบุญเนี่ยเวลาจะเกิดเกิดที่ไหนบาปบุญทั้งหลายก็ต้องอาศัยที่อายตนะนี่เองแล้วก็ไม่ได้ไปอาศัยที่ไหนหรอกจริงไมท่านทับ บาปหรือบุญก็อาศัยอายตนะคือตาอายตนะคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจเนี่ยเวลามันเชื่อมกันขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวบาปก็ตามเดี๋ยวบุญก็ตามมันเกิดตรงนี้เขาจึงบอกว่านิวาสัถาเนี่ยเป็นที่อยู่นี่เป็นที่อยู่หมายความว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นอายตนะภายในเนี่ยย่อมเป็นที่อาศัยให้จิตเจตสิกทั้งหลายอยู่เพื่ออะไร เพื่อที่จะรับรู้อารมณ์ที่มากระทบทางทวาร น, นั้นๆั้นเข้าก็คล้ายๆกับเป็นที่อยู่ของวิถีจิตจึงเรียกว่าอาญตนะอันนี้เป็นการกล่าวโดยอ้อมนะวิถีจิตไม่ได้อยู่ในอาญตนะแต่เมื่อมีเหตุสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไอ้ละคังกับเสียงละคังเนี่ยเราจะกล่าวว่ามีเสียงละคังอยู่ในตัวละคัง จะกล่าวเลยทีเดียวก็ไม่ได้มันไม่เห็นร้องเองสักทีใช่ไหมแต่มันได้เหตุปัจจัยมันถึงร้องหรือเปล่าแต่เมื่อบุคคลตีระครังขึ้นเสียงก็ปรากฏกังวานขึ้นค้ายว่าเสียงนั้นน่ยอยู่ในระครั ง, งก็มนกลองเนี่ยนะระครังเนี่ยมันนั่งมองมันทุกวันแต่มันไม่ไ ม, ไ ม, ไมได่ดังใช่ไหมแต่มันได้เหตุแล้วมันเกิดอายตนะคือตาอายตนะคือหูก็เหมือนกัน คล้ายๆว่ า, า, าไอ้จักขุนยาณไอ้ตัวจิตเป็นต้นน่ยมันจะอยู่ในตานั้นแต่ถ้ามันไม่มีรูปซะละไม่มีสีไม่มีแสงสว่างเป็นต้นไม่มีเหตุปัจจัยละไอ้ตัวจิตเจตสิกที่จะมาชุมนุมบาปบุญทั้งหลายที่จะมาเกิดมันก็ไม่มีนี่แหละไอ้อายตนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นที่ชุมนุมมันเป็นที่อยู่ของจิตและเจตสิกเพื่อเขาจะได้มาทำอะไรบาปและทำบุญ ถาว่าเคยกโกรธไหมใช่ไหมเคยใช่ไหมแสดงว่าทางทวารตาเนี่ยเคยมองอะไรแล้วเคยกโกรธมถ้าอย่างนี้แสดงว่าเคยมาอาศัยทวารตาเนี่ยโกรธมาเรียบร้อยแล้วเขามาทําบาปเรียบร้อยแล้ ว, ลวเขาไปหมดหรือยังเขาไปแล้วเราก็คอยมีหน้าที่ล้างตาล้างตาไว้เป็นที่เกิดของบุญแล้วบาปต่อไปตื่นเช้ามาต้องรีบล้างตาแล้วบอกกเนนะยเพื่ออะไร เพื่อจะได้ให้บาปและบุญมาใสาเกิดคิดๆแล้วก็ดูหน่าสงสารกันนะนะคิดแล้วมันหน้าสงสารตัวเองกันนะนะไม่มีหน้าที่อะไรแล้วคอยเฝ้าทวานตาบ่วงทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายทวานใจเป็นงั้นไม่ชี้าวานตื่นมาต้องรีบล้างตาเอางั้นล้างไว้เพื่ออะไรล้างไวเไ้เพื่อจะโกรธและไม่โกรธเพื่อว่าจะไว้พอใจบ้างไหมพอใจบ้างนะมีหน้าที่แค่นั้นเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็ค่อยเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเอางั้นพอเผลอนอนไม่หลับเปิดทวารใจไปทําบาปเล่นได้อย่างอายะตะนาทางใจก็ยังเป็นไปอีกนะเป็นไหมคิดกังวลอยู่นั่นแหละไม่รู้คิดทําไหมก็งั้นเลยคิดว่ากลัวจะนอนหลับได้เนี่ยทับแย่เลยว่างั้นไม่รู้กังวลไปกังวลเพื่อจะทําบาป <c oughs> นี่เป็นอย่างงี้คล้ายกับว่า ทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะนนเนี่ยไออายตนะสลายตนะเนี่ยเขาว่าไงนะอากาฤทถะว่าไงเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจย่อมไม่มีเกิดที่ที่อื่นไม่ได้เกิดที่อื่นนะแต่เกิดอยู่ในสัตว์แหละไม่เลือกเพศด้วยนะไม่ได้เลือกภูมิดนะ้วยอบัยวภูมิมันก็เกิดมนุษยสภูมิก็เกิดเทวดาหรือพรม ย่อมมีอายตนะเกิดได้ทั่วไปเท่านั้นเว้นอสัญญสัตตพรมนั้นนอกนั้นมันไปเกิดวันน่ะเนี่ยอายตนะเขาจึงบอกว่าเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายหมดสัตว์ทุกจําพวกมีอายตนะหมดยกเว้นอสัญญสัตตพรมอีกอย่างหนึ่งก็เราสมโมสรเป็นสโมโอสรภาษาบาลีเขาเรียกว่าสมโมสรณัทธะเป็นสมโมสสอ สโมสรคําว่าสโมสรใครเคยไปไหมไปสโมสรเขาเขาไปทําอะไรกันไปประชุมกันอเออเดี๋ยวก็ไปประชุมออกกําลังกายกันบางเห็นก็เฮ้ยไปประชุมม อ, อกไอ้ท <c oughs> ีนี้ก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยนะมันมาประชุมกันนะ่ยนะไปจักขาเยตนะกับโลปายตนะเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงทำมายตนะเนี่ยนะ มาประชุมกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นที่ชุมนุมของทวานเป็นที่ประชุมชุมนุมกันของอารมณ์เป็นที่ประชุมกันเออดูมันดีนะเรียกที่ประชุมเนี่ยนะเพื่อให้วิถีจิตเป็นไปอีกอย่างหนึ่งคือการณ์ฐาเป็นเหตุให้เกิดมีอายตนะภายในภายนอกวิถีจิตทั้งหลายก็ถ้าไม่มีก็เกิดไม่ได้เพราะมีนั่นแหละจึงสามารถที่จะเกิดได้ ในสัมโมหาวิโนธนีท่านแสดงเขาไว้บอกว่าเป็นที่ขวนขวายเป็นตัวแผ่ไปแห่งธรรมคือจิตเจตสิกอันเป็นที่เกิดแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านว่าไงดู้ไหมในสัมโมหะคัมภีสัมโมหาวิโนธนีอัตกถาเขาบอกว่าถ้าใครได้อ่านแล้วจะทําบันเทาความหลงงมงายเสือได้เขกงั้น <c oughs> ฟังชื่อแล้วน่าอ่านเขาเรียกสัมโมหาวิโนธนีอัตกถาก็ห้ ก็บอกคำพีนี้อ่านแล้วจะสามารถให้ความหลงมันบรรเทาลงได้บ้างเป็นตัวนำไปสู่สังสาและทุกข์อันยืดเยื้อจึงเรียกว่าอยายตนะนี่อยายตนะมันดีไหมไม่ดีนะแต่ทำไมชอบอดูเหมือนดีแต่กันเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรีบไปล้างตายเลยเนยะโอ้ถ้ า, าว่าพวกแขกนี่ล้างจังเลย ถ้ามองสิ่งไม่ดีรีบล้างตาเลยเลยเขาบอกทำเราได้มีสภาพคล้ายกับความพยายามเพื่อยังจะวางผลของตนให้เกิดขึ้นทำเหล่านั้นชื่อว่าอายตนะถามว่าจาักขาอายตนะระรูปายตนะเป็นเหตุให้เกิดการเห็นเป็นต้นได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้มองตัวว่าสังสารวัธรรมที่สังสารวัตอันยืดเยื้อหรือยาวนานเนี่ยทำเหล่านั้นชื่อว่าอายตนะถ้ามีการประชุมกันของอายตนะ ของตากับรูปเป็นต้นเนี่ยยืดเยือย้อแน่นอนยืดเยื่อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ยอมมูงเห็นนี่呀การเยืดเยือย้อพร้อมทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นไปกับอายตนะอาศัยอายตนะเป็นไปนทีนี้สรายตนะจัตฉัฏฐานาาตนะจัตสรายตนะานอายตนะทั้ง6และอายตนะที่6ชื่อว่าอายตนะ ทีนี้ถ้าอธิบายอย่างนี้บอกว่าอัจฉติายาญตนะหกที่เป็นผลของนามรูปนี้จำจำแนกโดยภูมิเป็นต้นแล้วก็คือว่าในปัญจโวกระรภูมินะจําแนกโดยภูมิหน่อยสิในปัญจโวการะภูมิเพราะ ง, งั้นนามรูปเป็นเหตุตราญตนะเป็นผลตามสมควรถ้าในอารมณภูมินามเป็นเหตุ นามมัายะตนะคืออายตนะที่หกที่เรียกว่าฉัฏฐายยตนะเป็นผลมองเห็นอย่างแต่เนี้ยเขาจึงใช้คำว่าฉัฏฐายยตนะด้วยเพราะจะต้องเกี่ยวในอรมณภูมิด้วยอรูปอรมณภูมิมีกี่อายะตนะมีอายะตนะเดียวคือมันายตนะใช่ไหมมันายตนะนามเป็นเหตุมัญายตนะคืออายตนะที่หกเนี่ยนะ คือฉัฏฐานะนี่เป็นผลแล้วนี่มองเห็นแล้วนะเนี่ยที่เขาถึงใช้คําว่าฉัฏฐานะดีเป็นอย่างนี้ต่อไปต้องไปศึกษากันให้ดีตรงเนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อว่าโดยความเป็นผลของนามรูปในปัญจโวการพูมซึ่งได้แก่สรายตนะและในจตโวการพูมิได้แก่ฉัฏฐานะจึงชื่อว่าอาญตนะทั้งหด้วยอาญาตนะที่หกด้วยชื่อว่าสรายาตนะ นี่ชัดเจนในองค์ของปฏิจจุนบาตว่าอะไรนามรูปะนามรูปะปะปปจยาสรายตัณสัมพวันติเนี่ยนะอาญตนะภายในหปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นหตุในที่นี้นามเอาอะไรนามหมายเอาเจตสิกนะขันสได้แก่เจตสิก3 5หที่ประกอบกับโลกเยาวายุปากาจิต32สอง รูปหมายถึงกรรมมัชรูส16เอาแค่ส6หพอนะได้แก่อวินิพโภครูป8ปดภาษาทรูปห้าภาวะรูปหนึ่งอายะรูปหนึ่งชีวิตรูปหนึ่งสหกเรียแปดสองสบหนอกนั้นไม่เอาสรายตนาคืออายตนาภายใน6ได้แก่จักขายตนาหรือจับขวายตนาจริงๆเขานี่ยมเรียกจับขวายตนา จากขวา ย, ย, ย, ย, ยะยะานะจากขวาแย่ออกชัดๆอย่างนั้นก็ไม่ได้นะจากขวายะยานะได้แก่จากครูประสาสโสตายตนะโตตสตประศาสานายตนะก็คือคานาประสาสชิวหายตนะคือชิวหาประสาสกายายานะกายายประศาสมานายตนะคือโลเกียววิปากจิตสามสบสองนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทวินิฉัย ลักษณะเป็นต้นของอาญาตะนะเนี่ยนะเอ่อยู่อาญาตะนาละนักขันธ์มีการสืบต่อและความแผ่ไปจิตและเจตสิกเป็นลักษณะอาญาตนาะสืบต่อไหมสืบหรือไม่สืบสืบต่ออะไรสืบต่อและแผ่ไปแั้งจิตและเจตสิกจิตเจตสิกที่มันจะเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อกันได้เพราะอาศัยอาญาตะนานะี่ยในปัญญากลภูมิเนี่ยนับเป็นนี้ต้องอาศัยพวกนี้อาศัยการสืบต่อ ถ้าไม่ไม่สืบต่อนี่นะขาดเป็นนั้นแล้วอายตนะขาดอยากให้ขาดไหมบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลัวพบขาดใช่ไหมกลัวไม่ได้เกิดอะไรหรู้ไหมกลัวตันหาลกลัวใช่ไหมเนี่ยตนหาลนอยเชื่อมนขนาดคิดจะไปนิพพานยังไม่กล้าคิดน ม, มันกลัวเลยว่าอุ้ยไม่ได้ประกอบเขาไว้ประกอบเขาไว้มันคิดนานแล้ว เป็นปะกตูปนิสยาปจัยเนะ่ยคิดจนชำนาญแล้วคิดออกไม่เป็นเลยนะว่ามันนะจะคิดออกแล้วกลัวขึ้นมาแล้วไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ทั้งๆที่คิดออกก็ไม่ได้ออกนี่นะแต่กลัวนะทําท่าจะคิดจะตั้งอัธยาสายัยจะตัดสรู้หน่อยแค่นั้นวงไม่เอาซะแล้วยังต้องทำโน้นทนํานี้อะไรสารพัดก็ไม่รู้จะไม่ใช่นะออสารพัดเลยเนะี่ยนี่เป็นอย่างนีเนง้เป็นไหม เขาบอกเขาบอก อ, ออกเหมือนกันนะไม่ใจไม่คิดตัวงั้นนะึงแต่บอกว่าขอค่อยเป็นค่อยไปนะเออยังมีตัวนี้อีกนะว่ไอจ้จะออกยังขอค่อยเป็นค่อยไปนะบางทีช่างเง้อเขามาค่อยเป็นค่อยไปนี่แม่ยังเพลินอยู่เลยอะยังเพลินอยู่เลยทับเป็นงั้นไหมยังเป็นอยู่นะแต่อย่างนีง้มันชัดเลยนะว่ามีการสืบต่อและแผ่ไปของจิต แล้วก็มีการกระทำนะทัศนาทิระสังค์มีการกระทาการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการคิดนึกเนี่ยนะเป็นกิจนิยหน้าที่ของอายตนาเนเป็นอย่างนี้เขามีการกระทำเลยเมื่อเห็นแล้วใช่มไอ้จักครูเนี่ยเป็นต้นก็มีการกระทำเป็นต้นเป็นไปแล้วก็ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมีความสุขนะใช่ไหม ไม่เคยทุกเลยว่างั้นเถอะไม่เคยเห็นโอ้โหทุกทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปด้วยไม่ไม่เห็นแล้วไม่เห็นนะพอเห็นขึ้นมาแล้วตื่นตาตื่นใจทุกทีเอะบังอารมณ์อ่ะนะบังอารมณ์มณก็ไม่อยากดูเป็นงั้นปะโยเป็นยังไงจะบอกช่วงนี้ที่คิดอะไรทั้งหมดอลไจะได้เก็บยี่ว่าว่งั้นเวลาช่างจริงวง่างั้นเลยเกลีงั้นนี่อย่างนี้ครับกมโน แล้วก็วัตถุทวาระภาวะปัจจุปถานังมีความเป็นวัตถุและทวารเป็นผลถามว่าจักขายตนะเนี่ยต่อมามาเป็นอะไรจักขรวตถุไหมจักขายตนะนี่เป็นจักขรวถุไหมเป็นเป็นจักขุทวารไหมเป็นก็อีกใช่ไหมจักขายตนะเนี่ยมีความเป็นจักขรวัตถุคือเป็นที่อาศัยกับจักขรวิญญาณมีความเป็นจักขรทวารคือเป็น ช่องทางแห่งการทำกรรมทางจักขุทวาริกะจิตเห็นไหมมีความเป็นวัตถุถโธตายะตะนะัตนาก็มีความเป็นโสตาวัตถุเป็นเทียสัยกับโสตาวิญญาณและเป็นโธตัทวานคือเป็นทางเกิดขึ้นของโสตาทวาริกจิตคือจิตที่เกิดในโสตาทวานมันเป็นทวัตถุก็ได้เป็นทวานก็ได้ดูสิหรือ คานายตนะก็ไปเป็นคานาวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณทางจมูกและก็ไปทำกรรมทางจมูกอีกแล้วใช่ไหมหายใจพวดเวทนาทีพอได้กลิ่นแค่นั้นโอ้โหบาปบัางบุญบัางมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แปลว่าไหลมาไม่รู้เท่าไหร่ว่างั้นเถอะเนี่ยไหมเพราะมันเป็นวัตถุเพราะมันเป็นทาวานมันจึงเป็นช่องทางจึงเป็นประตูให้กับบุญและบาปเกิดขึ้นเป็น ไอ้ที่ไม่ระวังจมูกก็มีโทษมหันฯมัวแต่ระวังอยู่ก็เลยอยู่ในโลกใบนี้ลําบากก็ว่ากัะนนะแต่ถามไอ้ถามว่าที่ว่าดีเพราะอะไรรู้ไหยได้ดมของหอมได้ดมของหอมก็เ <c ười> คยถามว่าไอ้ทวันจมูกเนี่ยเคยได้บุญจากมันบ้างไหมบ่อยๆอะ่ะเคยมานัิการให้บุญเกิดทั้งทวานจมูกบ่อยๆไหมหรือโดยมากเป็นไปกับบาป ถามโดยมากถามว่าไม่เคยมาดมดมอะไรขึ้นมาอู้ของอย่างนี้มันนะทําบุญเนอะนเคยเคยตึกบ่อยไหมอย่างนั้นเนะี่ยอย่างนี้อยากอาศัยจมูกทําบุญได้ม้างเนีน่แต่บางทีเป็นยังไงรู้ไหมดมพุ๊ขึ้นมาโอ้โหชื่นใจแล้วก็มาปาร็อปทำบุญที่หลังเออเรลลื่องบาปเรือบุญอะไรไหนมากกว่ากันก็ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อะไรมากก็ไม่รู้ใช่ไหม บ อ, อมีถาวรอย่างโไม่มีก็ไม่ได้หรอกนั้นเอ้พร้อมคิดดีแล้วเนะี่ยจึงไม่เอานะพร้อมน่าจะคิดดีกว่ากว่ากว่าเราคงจะคิดละเอียดเอ้ยตึกแล้วตรึกเองถ้านะกลุ่มที่จะไปเป็นพร้อมทั้งหลายโอ้ไม่เอาดีกว่าจากไอ้คานาวะถูกกับคานัทะวาวรนี่ไม่เอาดีกว่าว่างั้นมันมันไม่เกิดบุญเป็นโดยมากน้อมไปกับบาปว่างั้นอา้าดูชิยวหาถาวรบางทีตต่เนี้ย ชิวหาวัตถุเป็นที่อาศัยให้เกิดแต่ชิวหาวิญญาณคือวิญญาณทางลิ้นเชียวหาทวารก็เป็นที่เกิดบุญและบาปทางทวารลิ้นเนี่ยไอ้ตัวนี้สําคัญนะพ่อใหญ่น้าอาหารที่ตนเองเคยมานสิการมาไม่ดีเคยกินเออเคยเคยกินมาแล้วไม่ดีแล้วมานสิการผิดพลาดไปแล้วหน้าเบ้เลยนะมไม่เอาอย่างเดียวยไม่อร่อยไม่ดีมันต้องอย่างนี้ขึ้นมาอะไรตัวนี้เป็นไง มับอกเป็นตั้งแต่ยอมใส่แล้วพอยอมใส่มาปุ๊บม่มาเริ่มคิดไม่ดีแล้วอันนี้จะให้ใครนะของฝ่าลบบาปขึ้นมาแน <c oughs> ่บางทีคิดจริงเนี่ยเคยบ้างไหมอ่ะของชอบที่สุดเนี่ยสละเลยเนะ <c oughs> นี่ยเราก็เราก็ได้ถ้าอย่างนี้มันจะได้บุญทางทวารลิ้นใช่ไหม <c oughs> ชอบสุดๆเลยเนี่ยของเนี้ยแต่สละอนะ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ยังยังเขาบอกว่าบุญบุญยังไม่ค่อยอันนี้บุญธรรมดานเะนี่ยบุญทานนะไม่ใช่บุญตรึกพิจรารณามันสูงกว่านี้นะถ้าอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นไงมั้ยเราจะเริ่มเห็นอุ้ยมึงทีบาปมันเกิดถ้าอย่างนี้เริ่มมองเห็น้ยเริ่มจะมองเห็นว่าเนี่ยโ อ, โ อ, โอ้มันเป็นอย่างนี้ที่นี้มาทางทาวารกายบางทีผ้าที่ห่มแล้วนุ่มๆนิ่มๆเนี่ยเคยเคยหม มาห่มแล้วเนี่ยถามว่ามานาสิการบุญได้เป็นอย่างดีป่ะหรือมนสิการบาปเออใช่ไหมจดเมื่ออผ่าดเนี่ยจะยอมก็ามาให้ยังไงก็มัชริยะสมมุติแ ล, ตแล้วตอนห่มละระหว่างบุญกับบาปอะไรมาชุมนุมมากใช่ไหมถ้าถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วทางกายญาณตาเป็น กายะทะวารเป็นกายะวัตถุเนี่ยนะโดยมากทางทวารกายเราก็บางกลุ่มนะบางกลุ่มก็ถ้าทวารใจได้แล้วเนะี่ยแทงศูนย์เลยโบอกว่าโง่บอกดูแลยากเลย ก, ก็ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดูมันเหมือนหยาบๆยังยากปันนี้อยูน่นะถ้าทวารใจนะโอบอกให้คิดเรื่องนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนะึ่งบอกให้คิดเรื่องนี้มันก็ไปอีกเรื่องหนะึ่ง ไปใหญ่เลยแต่เขาบอกว่าอ๊ตอนนี้เรามีที่พึ่งแล้วแต่นี้เริ่มเริ่มแล้วทวานใจเริ่มจะพอมีที่พึ่งบ้แต่พึ่งยังมีหวังอยู่ไหมหวังอะไรแล้วหวังได้เป็นมนุษย์ตัวเนี้ยไป <c oughs> หวังได้ไหวังได้เป็นเทวดาอายุแค่ไหนนี้ออกก็ออกไม่ได้นะ <c oughs> บอกโอ้โห <c oughs> ได้ทวานใจจะทําบุญสัทีก็ <c oughs> ยังทํากักกันกันกันกันอยู่เนี่ยมองไม่เห็นโทษ ลำบากนะนีเป็นอย่างนี้นามรูปปะปะทัฐานนางมีนามรูปเป็นเหตุไกล้นามรูปเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของของอยายตะนะทีนี้ถ้าบอกว่ามีที่จริงนามรูปปทัฐานนางมีเจตสิกแล้วก็มีกรรมชรูปเป็นเหตุใกล้นะก็คือมีนามแหละนามกับรูปนี่เลยเจตสิกก็คือนามกรรมชรูปก็คือรูปเนะี่ยถ้าส่งเคราะห์ ต่อไปก็ส่งเคราะห์ปัจจัยสงเคราะห์ปัจจัยลักษณะรัศดาปัจจุปทานปทัฐานของสารายตนะอายตนะลักษณะังมีการกระทบหรือมีการทําให้วัตตาสงสารยาวนานเป็นลักษณะมีลักษณะเขาเป็นยี้นะแล้วก็ทัศนาที่รัศดามีการเห็นเป็นต้นในเป็นกิจวัตถุทวาระภาวะปจจุปทานนังมีความเป็นวัตถุไดทวานเป็น ปัญจของปัญจ ว, วิญญาณธาตุมโนธาตุมโนญาณธาต์ตามสมควรเป็นาการปรากฏในปัญญาขุมดิตนามรูปประทัดฐานมีเจตสิกกรรมชรูปเป็นเหียใกล้เนี่ยนะนี่เป็นี้ที่ท่านมาพูดในเรื่องของอายตนาตรงเนี้ยก็เพราะว่าอายตนาหกนะที่เรากำลังศึกษากันอยู่เนี่ยเพราะสรายัตนาเนี่ยอายตนาทั้งหกหรืออัจฉติก า, ายญตนาหก จากขาวายตนะจะแะก่จากขูประสาโสตายตนะโสตประสาทค า, านายตนะคานประสาทเชิวหายตนะเชิวหาประสาทกายายตนะคือกายาประสาทมนายตนะก็คือโลกียวิปากจิตสามสิบสองเนี่ยนะถามว่าอายาตนะเหล่านี้มีการสืบต่อและแผ่ไปในจิตใจสิกายเป็นลักษณะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถามบอกว่านามารูป ปั จ, จยาสรายยตนาเนี่ยนามใดเป็นปัจจัยแก่อาญาตนาใดถามว่าท่านในปฏิสนธิการและในประวัติการและเป็นปัจจัยโดยประการอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมการที่ท่านจะมาแยกแยะว่านามเป็นปัจจัยแก่สรายยตนาเนี่ยมาจช้คาว่านามรูปปั จ, จยาสรายยตนาเนี่ยนามได้แก่นามมขันนามมขันสาม คือเจตสิกขันสามนั่นใช่ไหมเป็นนามในที่เนี้ยเจตสิกขันสามคือเวทนาขันสัญญาขันและก็สังขารขันเนี่ยนะรูปก็ได้แก่รูปที่มีภูทรูปและวัตถุรูปใช่ไหมจากขูวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะจากขายาตนาเป็นต้นนี่เองนามรูปนั้นนะ่ะทาให้เป็นเป็นปัจจัยแก่สรายญตนานั้นเป็นปัจจัยเกิดสรายญตนานั้นบอกถามว่า นามคือเจตสิกขันสามที่ประกอบในโลกิยะวิปากาจิตโลกิยะวิปากาจิตเท่าไหร่ไอเข้าประเทศบดไม่ดีเลยประกอบกับโลกิยะวิปากาจิตเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่มนายตนะมัายยตนะในที่นั้นก็คือโลกิยะวิปากาจิตที่เกิดพร้อมกันแต่นตน อำนาจปัจจัย7จ็ดอำนาจปัจจัยเจ็ดนี่ในกลมของสหาชาตชาติใหญ่4มาใช่ไหสหาชาตปัจจัยสหาชาติตะนิสยะสหชาติตีสหาชาต ะ, าาตะอวิคตะใน้4ปัจจัยนิกลุมปัจจัยใหญ่แล้วก็กลางกลางนั้นคือมีอะไรอัญญามัญญาวิปากะก็สหาชาตเออแล้วก็สัมปยุตตะวิปยุต ให้สังเกตดูนะเนี่ยปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติเล็กน่ยไม่มาเหตุปัจจัยไม่มาสาชาตาที่ปฏิใช่ไหมกรรมว่าปัจจัยนา ม, มอาหารสาชาตินตรีชาณาปัจจัยมากขปัจจัยเนี่ยไม่มาเลยใช่ไหมทำไมเล็กถึงไม่มามาแต่ใหญ่สี่กลางสามสาชาตาวิปไม่มาวิปยุทธ์ไม่มาอยู่แล้วเพราะเขาประกอบกันใช่ไหมเจสิกันสามกับ โลกย่อยบากน่ยกับมนายาตนาเนี่ที่เล็กไม่มาเพราะการที่กล่าวว่านามคือเจอตสิกขันสามนั้นไม่ได้ระบุปัจจัยเล็กไม่ได้ระบุปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติเล็กสาชาตชาติเล็กต้องระบุชื่อเขาเนะเขาถึงจะมาเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาระบุที่ผ่านมาระบุนั้นคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเช่น ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นการระบุเนะ <Okay. S 1> ให้สังเกตดูนะว่าในเจ็ดปัจัจเนี่ยเป็นสาสตราชาติใหญ่สี่ใช่ไหมเป็นสาสตรชาติกลางสามเล็กเจ็ดไม่มาสาสตราชาติกลางนั้นขาดไปหนึ่งคือวิปยุทธแค่ตรงนั้นเองถามเป็นไม่ได้เพราะเป็นการกล่าวรวมอย่างคำว่านามเจตสิกขันสามใี่ไม มันมีเวทนาขันสัญญาขันและสังขารละขันเลยเพราะบอกสังขาระขันเนี่ยจะไม่บอกว่าเหตุตัวปัจจัยอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าเวทนาขันหรือสัญญาขันไม่ใช่เหตุการกล่าวรวมอย่างนี้ไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงนี้่ไหมการไม่เจาะจงปัจจัยเล็กเนี่ยเขาจะไม่ได้แต่อย่างกรณีที่บอกว่าในบทก่อนที่อภิปติสุนที่วิญญาณเนี่ยใช่ไหมปฏิสุนที่วิญญาณไอตัวปฏิสุนที่วิญญาณ น, นี่เป็นข้อบ่งบอกถึงอะไร เป็นปัจจัยอุปการและขารหห่ทายวัตถุเนี่ยตัวปฏิสนธิวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณเป็นจิตเมื่อเป็นวิญญาณเป็นจิตเนี่ยเป็นอาหารไหมวิญญาณอาหารใช่ไหมเนี่ยพอเป็นวิญญาณอาหารอย่างนั้นเขาเรียกระบุปัจจัยเล็กเล็กจึงเข้าเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวรวมอย่างนี้ไม่มาถ้าอย่างนั้นจะตามมาเยอะไอ้ที่ไม่ใช่เหตุอีกเยอะสองนี่คือระบุใช่ไหม อโลมภาอโทสะอโมหะนี่เหตุไหมย่างนามคือเหตุมาหรือยังอโลภาเป็นเหตุไหมอโทสะอโมหะเป็นเหตุเจตสิกที่ประกอบกับโลกยิปปากจิตเป็นปัจจัยช่วยประกาศละแก่มนายตนะที่เป็นโลกิยะเสห์ตุกาวิปากจิตที่เกิดพร้อมกันกากนตนได้านาปัจจัยแปดเพิ่อมอะไรมาเหตุตัปัจจัยมานอกนั้นคงเดิมไหม อ๋อเขาจะไม่ตั้งเขาจะไม่ตั้งอย่างนั้นถ้าตั้งเขาต้องตั้งใหฉะนั้นอรโลภาโทส า, โ, ทาโมหะที่ประกอบโลกียบิบากเป็นปัจจัยอุปการะแกมนาเยตนะโลกยยสเยตุกาวุบากที่เกิดพร้อมเัินกระตนนั้นเยด้านหน้าปัจจัยแปดถ้าเล็กมาแล้วใหญ่สี่มาอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อใหญ่สี่มาเนี่ยกลางสาตามสมควรกลางตามสมควรนี่ก็ก็มาสาม ตรงนี้ตรงนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าการเป็นปัจจัยเนี่ยเขาจะได้เหตุปัจจัยสาชาตาปัจจัยอนยามัญญาณิสยวิปากาสมายุตตาอัิปัจจัยอยยยวิขตาปัจจั ย, จจยนี้คือเรียงตามลำดับของเทศนาเรียงนี้ไม่ได้เรียงลำดับชาติเรียงลำดับตามลำดับแห่งเทศนานะให้สังเกตดูนะว่าเวลายกอโลภาโทสาโมหะซึ่งเป็นนามาเจสิกที่ประกอบกับโลกเยี่ปากโลกียายสยดุ กาวิบากแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นปัจจัยแก่มนายนตนาที่เป็นโลกียะสเหตุกาวิปากาจิตที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ยนะพอยกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะอํานจาจปัจจัยที่เกิดร่วมอะอโลภาอโทสาโมหะเป็นเหตุปัจจัยโลกียะสเหตุกาวิปากาจิตที่เกิดพร้อมกับอโลภาอโทสาโมหะเป็นเหตุตุปปญจวิบันเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องทําความเข้าใจตามลำดับเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นะ ก็ต้องพยายามเลยถ้าตามหลักสูตรในการตรึกเนี่ยก็จะต้องตามลําดับด้วยซ้าไปเห็นไหมเอาข้อที่สามนามคือเจตสิกที่ประกอบกับโลเกย์ยปรากจิตเป็นปัจจัยช่วยการละเก่มนายตนาคือโลเกย์ยปรากจิตที่เกิดพร้อมกันกับตนได้หน้าปัจจัยครับเจตนานะถ้าออกเจตนามาเนี่ยเราเริ่มจะมองเห็นในปัจจัยที่เป็นสาสาตร์ชาติลักเล็กแล้ว แล้วก็ดูว่าเจตานานี่เป็นเหตุได้ไหมไม่ได้ตัดทิง้งว่าเจตนาเป็นอธิบดีได้ไหมตัดทิ้งไปเจตานาเป็นอาหารได้ไหมเป็นอะไรมโนสัญเจตนาอาหารได้นามอาหารนามอาหารละปัจจัยมาหนึ่งแล้วนะเจตนาเป็นกรรมได้ไหมสหชาตากรรมมาปัจจัยได้นี่เป็นสองใช่ไหมเจตนาเป็นฌานได้หรือเปล่าตัดทิ้งไปเจตนาเป็นอินทรีย์ได้ไหม มีไหมอินทรีย์เนี่ยไปมีเจตนาอยู่ด้วยมักเป็นเจตนาไหมตัดทิ้งออกไปสรุปแล้วสาชาชาติเล็กได้สองอวิธีคิดตรงเนี้มันจะเร็วขึ้นเนี่ยไหมถ้าเรามองเริ่มมองสาชาตาชาติเล็กออกบ้างนี้เนะี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วอย่างที่ไล่มาสักครู่นี้เนะี่ยเจตนาไม่เป็นเหตุเจตนาไม่เป็นอธิบดีเจตนาเป็นสาชาตกรรมาเจตนาเป็น มโนสัญเจตนาหารเจตนาไม่เป็นฌานเจตนาไม่เป็นอินรีย์เจตนาไม่เป็นมากก็ตัดกลุ่มพวกหปัจจัยออกเหลือเจดเหลือสองก็ได้มโนสัญเจตนาหารเป็นนามหาหราปัจจัยแล้วก็ตัวเจตนาอีกหนึ่งก็เป็นสาชาตกรรมปัจจัยเล็กได้สองแล้วนะแล้วสาชาตชาติใหญ่สี่ไม่ต้องไปคิดแล้วดึงมาอีกสี่เป็นหสาชาตา ปัจจัยสาชาตานิสยาสาชาตาทีสาชาตาออวิคตะเป็นหกปัจจัยแล้วใช่ไหมสี่บวกสองอ่ะเป็นหกเล็กอีกเท่าไหร่เอากางอีกเท่าไหร่กางอีกสามเป็นเก้าเลยอัญญามัญญาวิปากะสัมยุตตะเว้นวิปยุตตะปัจจัยออกไปแค่ตรงเนี้ยนี่เริ่มมองเห็นนี่ยังเนี่ยนี่คร่าวๆยังเริ่มมองเห็นใช่ไหมเริ่มมองเห็นนะ <c oughs> ทีนี้นามข้อที่สคือผัสสะเจตสิก ที่ประกอบกับโลยิปปากจิตเป็นปัจจัยช่วยประการศแก่มนายะตนาที่เกิดพร้อมกันกับตนแทบไม่ต้องไปดูอำนาจปัจจัยเลยนะผัสสะลองมาไล่โดยทีย่หมูผัสสะเจตสิกเป็นเหตุไหมเป็นอธิบดีเปล่าเป็นกรรมไหมเป็นอินทรีย์ไหมเป็นอาหารไหมอาหารอะไรใช่ผัสสะอาหารได้ได้นะได้นามอาหารและปัจจัยหนึ่งแล้วเนีเป็นชาลหรือเปล่าเป็นมาร์กหรือเปล่า เห็นไหมตัดพวกนั้นทิ้งไปหกเหลือหนึ่งสรุปแล้วก็เล็กได้หนึ่งใหญ่สี่มาเป็นห้ากลางอีกเท่าไหร่กลางอีกสามเป็นแปดได้แปดปัจจัยนะอะไรเลยอ๋อมันไม่ตรงกันผัดสะก็เขาบวกเจตนามาด้วยวอันนี้หลักสูตรบวกเจตน า, า <c oughs> เราเจตนาด้วยตามหลักสูตรนะตามหลักสูตรไปเพราะว่าในคู่มือเขาทำออกมา ก, ก็แสดงว่าเขาเถียงกันมาจนเหนื่อยแล้ว ที่เกียเตียงเตียงก็เหนื่อยแล้วให้ผลไปให้ผลมาก็วนกลับที่เดิมไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นห้านามคือวิตกวิจารปีติที่ประกาบกับโลกย้บากระโยบากโย้บากยากรบากยากรราะย้บากกรารย้กระบาก้าระบร้บระบาไร้ระบ้บาะย่า้ระบ้ยะ โลกียวิบากเป็นปัจจัยช่วยประการลาแก่มะนานยตนะซึ่งได้แก่โลกียวิบากที่เกิดพร้อมกันกับตนไดน้เป็นปัจจัยแปดนั่นเห็นไม่ต้องเว้นอยู่แล้ววิตกวิจารณปีติที่ประกอบกับโลกียวิบากต้องเว้นทวิสิบทำไมต้องเว้นทวิสิบกลุ่มพวกฌานกลุ่มพวกฌานะปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเขาเว้นทวิสิบอยู่แล้วอื่ไม่เป็นฌานอาสาชาต ถามว่าตรงนี้วิตกเนี่ยสาชตราชาวิตกวิจารปีตีเนี่ยในเป็นเหตุได้ไหมเป็นเป็นอธิบดีเป็นกรรมเป็นอินรีย์เป็นฌานได้ไหมเป็นวิตกวิจารองฌานได้เป็นอินรีย์ได้ไหมเป็นอินทรีย์มาไม่ครบใช่ไหมไม่มีเลยมั้งวิตกวิตกไม่มีอินรีย์แต่เป็นมาร์กอะมาร์กได้ไหมทําไมไม่เอามาเพราะว่ามันไม่หมดไม่ใช่ วิตกน่ยมันเป็นได้เป็นมาร์กได้แต่วิจารณ์ปีติเป็นไม่ได้เลยไม่เอามาสรุปแล้วตรงนี้คือวิตกวิจารณปีตินี่เน้นเป็นเป็นฌานนะเพราะว่าทั้งสามเนี่ยถ้ า, าวิตกนะ่ยเป็นสัมมาสังกาประจริงใช่ไหมเป็นวิชฌาสังกประจริงเป็นสัมมาสังกประจริงได้มากขาปัจจัยได้ถ้าอาวิตกตัวเดียว่แต่นี้มันวิจารณ์ปิติมาด้วยเลยไม่ได้เอางั้นนะเลยไม่ได้ทีนี้ก็เลยได้ ชาณนะปัจจัยนิสาชาตชาติเล็กมาหนึ่งใหญ่อีกสี่เป็นห้ากลางอีกเท่าไหร่กลางสามสรุปก็คืออะไรมาสาชาตาสาชาตานิสยสาชาตัดถีสาชาตาวิคตะอัญญามัญญาสัมยุตตาแล้วก็วิปากปัจจัยมองเห็นอันต้นเนี่ยนะนี่คือได้สาชาเนี่ยปัจจัยที่เป็นสาชาตชาติเนี่ยมันคิดง่ายไม่ยากมันเป็นอย่างนี้ยคิดง่ายนะแต่บลูยากมาก ยางจริงทัดเนี่ยดูดูคล่องอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัดอะไรได้นะ่นเนี่ยไม่ได้หรอกกรอเทียงโกอดเงนามอเนี่ยคือชีวิตตินซีเวทนาและศรัทธาที่ประกอบกับโลกยิยบากเป็นปัจจัยช่วยกาละาแก่มนาเยตนาซึ่งได้แก่โลกยิยบากที่เกิดพร้อมกันกันกบตนนี่ดูดใหม่ชีวิตตินซีเป็น ชีวิตตินซียเวทนาสัทธาเนอ่ยนะชีวิตตินรียไม่เป็นเหตุนะเวทนาศรัทธาก็ไม่ใช่เป็นอธิบดีไหมฉันทาวิทยาจิตตาปัญญาไม่ได้เลยนะและเป็นก๋ำป่ะเป็นอาหารป่ะเนี่ยไม่เป็นอาหารก็ยีเวทนาไม่ใช่อาหารเลยย๊าโมไม่ใช่นะมงกโกโนเวทนาอาหารเลยยุ่งเลยนี <laughs> ่ <laughs> บงคนจะเอาเรื่อยไงมึงคิดตรงเขาจะได้อยู่เรื่อยอวบอกอะไรเอาหมดเนี่ยเป็นอินทรีย์ได้ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นใายชีวิตอินทรีย์เป็นเวทนาเป็นรียอะไรใช่เป็นเวทนอินทรีย์สมนัตสินรีย์โทมณัสินทรียูเปกขินรีย์ใช่ไหมศร <c oughs> ัทธาเป็น <c oughs> สรุปแล้วก็คือได้ชีได้อินทรีย์เนีได้ฌานไหมที่จริงตัวตัวเวทนาเป็นฌานได้ไหม ได้แต่ว่าตัวชีวิตตินซีไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นทั้งหมดไง ใ, ใ่ถ้าเป็นไม่หมดแม่มาสรุปแล้วผัสสากับเจตนาถูกเห็นไหมเริ่มเห็นถูกขึ้นมาเลยเริ่มเห็นอยังเพราะว่าเจ <c oughs> เพราะมันไม่เป็นทั้งหมดที่ไม่ได้เอากรรมาปัจจัยมาผัสสาเจตนาบวกมองเห็นยังนี่ย้อนขึ้นไปคิดมองเห็นได้นะสรุปแล้วตรงนี้ อ่าไอนาไอสาชาตชาติเล็กได้หนึ่งนะได้อินรีย์นะอินทรีย์ในที่นั้นต้องเรียกว่าสาชาตินตรียะเป็นนามอินทรียองทำแปดนะเพิ่งจําไม่ได้นะได้อินรีย<ม>แล้วก็สาชาต่าสาชาตานิสยาสาชาตัดทีสาชาตาวิขตามาอัญญามัญญะสมบูญตตะแล้วก็วิปากาปจจัยได้แปดปัดจจัยนะต่อไปนามคือ วิริยะสติและปัญญาเน้นอะไรในวิริยะเนี่ยสติและปัญญาเนี่ยสรุปก็คือว่าวิริยะสติปัญญาเอเป็นเหตุได้ไหมเนี่ยจริงๆเนะี่ยปัญญาเป็นเหตุได้ไหมบางคนไปบอกว่าสติเป็นเหตุสติเป็นหรือป่าสติไม่ได้เป็นนะอ่าแล้วเป็นอธิบดีได้ไหมเลยไม่เอานะสรุปแล้วอธิบดีก็ไม่ได้อาหารก็ไม่ได้กรรมก็ไม่ได้ อินทรีย์ได้ไหมได้อินทรีย์มรรคได้ไหมเห็นไหมวิริยะเป็นสัมมาวายามะและเป็นมิจฉาวายามะด้วยไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นด้วยเนาะเป็นต้องมิจฉามรรคและสัมมามรรควิริยะเป็นอินทรีย์ด้วยวิริยอินทรีย์ด้วยสติเป็นสัมมาสติด้วยเป็นเป็นสติินทรีย์ด้วยใช่ไหมปัญญาก็เป็นสัมมาทิฐิกับ เป็นเป็นปัญญีสีนะสรุปก็คือว่าได้เลขสองได้มรคปัจจัยแล้วก็สาชาตินเรียปัจจัยใหญ่สี่เป็นหกแล้วก็กลางอีกเท่าไหร่สามเป็นเท่าไหร่เป็นเก้านะเก้าปัจจัยเปล่าถ้าไม่ได้เก้าแสดงว่าคนนั้นคิดผิด น, นะถ้าเกินเก้าก็คิดตะหลึดเริ่มมองเห็นนีอยังตอเนี้ยเริ่มจะเห็นเราเล่านิดๆแล้วนะค่อยๆดูไปนะมันจะเข้าใจ ต่อไปข้อที่แปดนาม <c oughs> คือเอกคตาที่ประกอบกับโลกเยืายบากเป็นปัจจัยช่วยโอกาสแก่มนายาตนะซึ่งได้แก่โลกเยืายบากที่เกิดพร้อมกันกันกบตนอันนี้ปจัจจัยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยได้สิบอ่สิบยังไงดูเอกคตาเป็นเหตุหรึเปล่าเป็นอธิบดีไหมเป็นกรรมไหมเป็นอาหารไหมเป็นอินทรีย์เปล่าเป็นชานไหมเป็นมรคไหมได้สามเลยนะได้เล็กเลยนะ สรุปแล้วสาชาชาติเล็กมีสคือสหชาสหชาเตนตรียาปัจจัยชานะปัจจัยมัคคปัจจัยใช่ไหมใหญ่4ี่สาชาตาปัจจัยสาชาตานิสยาสาชาตัดทีสาชาตวิคตะเป็นเท่าไหรแล้วสาบวกสเป็น7แล้วก็สาชาตชาติกลางอีกสคืออัญญามัญญาปัจจัยวิปากปัจจัยแล้วสามยุทธตาปัจจัย สรุปแล้วก็คือว่าสูตรนี้มาอะไรไงสามสี่สามใชม่จริงๆถ้าเล็กก่อนไงสามแล้วก็มาใหญ่สี่แล้วก็มากลางสามนี่สามสี่สามแต่ถ้าหากไล่ไปตามลำดับอ่จากจากเล็กไปก่อนก็คือสามสามสี <c> ่ <oughs> คนฟังตรงนี้สามสามสี่ก็โอ้โหสงสัยงวดนี้ยยงเลยไปคิดผิดจริง แต่ถึงอนานาจปัจจัยของเอกคตาที่อุปการละแฉทฐานยตนาคืออยตนาที่หกเนี่ย <c oughs> ต่อไปข้อที่เขาบอกว่าการจําแนกปัจจั ย, ป, จจยปัจจุบันตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเนี่ยเป็นปัจจัยทั้งในปฏิสนธิการทั้งในปวัติการว่าไงแปลว่าเขาสามารถเป็นปัจจัยทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการเนี่ าถ้าแยกในปฏิสนธิการก็คือแยกแบบไหนแยกในขนะณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะฮะเช่นปฏิสนธิจิตสเกิดขึ้นเน่ในขณะนั้นมีนามไหมมีใช่ไหมนามเจตสิกขันสาช่วยประการลาแกปฏิสนธิจิตสินามคือเจตสิกขันสามช่วยประการลาแก่อะไรนามทางห่างไปแยกได้อะสามารถถ้าแยกในปฏิสนธิการแยกแบบไหนดี นามคือเจสิกาสามที่ประกอบกับปฏิสนธิเจ็ดสิบเก้าอย่างเงี้ยแต่จริงๆต้องถามบอกว่าถ้าเป็นใส่เห่ก็เอาเอาสิบห้านะก็แยกกันออกไปนามคืออโลภอะโทสะอะ โ, โมหะที่ประกอบกับอย่างเงี้ก็ประกอบกับอะไรพวกโลกิยาใสเห่ตุกะจิตที่เป็นที่เป็นสัมปยุทธนะที่เป็นถ้าเป็นหมายบากระยานนะสัมปยุทธ อันนี้เป็นอโรพ า, าโทสะอุเทริง้ อ, งอทั้งหมดนะนะรวมกันนะเว้นอะเหตุกาปฏิสนที่สองดวงไปก็เหลือเท่าไหร่เหลือสิบเจ็ดเถนะเอาออกสองเหลือสิบเจ็ดเถอนะมองเห็นไหมโลกเสเฮตุกาปฏิสันที่จิตสิบเจ็ดเว้นอะเหตุกาปฏิสันที่สองออกไปนั่นแหละนั่นแหละคือก็เราก็บอกอะโรพ า, าโทสมาโมหาที่ประกอบในโลกิยาสเสเฮตุกาปฏิสันที่จิต ส, สิบเจ็ด ด้อํานาจปัจจัยเท่าไรอํานาจปัจจัยแปดไหลมาตามดับนัแล้วก็มานามคือเจตนาเยสิกที่ประกอบกับไอ้ปฏิสนธีนั่นแหละก็อํานาจปัจจัยเท่าไรอํานาจปัจจัย9ก้าถ้าบอกคาษาเจตนาก็อํานาจปัจจัย8ดก็ไหลามาตามดับใช่ไหมสรุปก็คือว่าในปฏิสนธิการก็สามารถเอามาสงเคราะห์ปัจจัยแบบนี้ได้และก็ในภรวัติการแม้ในชีวิตเป็นไปในปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหม เนี่ยอำนาจปัจจัยในชีวิตจริงเนี่ยที่เราสัมผัสจริงเนปัจจุบันเป็นแบบนี้นะมองเห็นยังเดี๋ยวนี่ยอย่างเช่นวันในขณะเ น, นี้ยถามว่าบางครั้งบางครั้งเนี ย, บ า, นย บ, าบางครั้งบางครั้งวิริยะสติและปัญญาที่ประกอบกับโลกย่ายบากก็เป็นปัจจัยในวิธีการเนี่ยนะมีเป็นอย่างนี้หรือบางครั้งก็เอกคตานี่เป็นอย่างนี้เอาต่อไปเป็นการจําแนกต่อนะนามคือเจตสิกขันสาม ที่ประกอบกับปัญจโวกาลปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยช่วยบกาลแก่ปัญจาญตนะในปฏิสนธิการแห่งปัญจโวกาลภูมินั้นได้น่าปัจจัยหกรู้จักปัญจาญตนะไหมรู้จักปัญจาญานะไหมเป็นปัจจัยแก่อะไรบ้างนะเป็นปัจจัยแก่อะไรบ้างปัญจาญตนะคืออะไรบ้างนะจากขวาญตนะโสตายาณะใช่ไหมปัญจาญานะหรือรูปลายญาณะ เป็นปัจจัยแก่ไรมองเห็นอย่างตันเนี้อปัญจายตยนาเนี่ยมีอะไรบ้างลองดูในคู่มือที่แยกเขาแยกออกไว้ยังไงน้ำอ่ะนา้ำขจีตสิขันสามที่ประกอบกับปัญจโวการละปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยช่วยบูการลแก่ปัญจายต น, นาในปฏิสนธิการและปัญจโวการภูมิ น, ะ น, นั้นอํานาจปัจจัยหกจากโคโสตคานาชิวหาเป็นต้นเนี่ยนะถามบอกว่า ถ้าหากว่าสังเสทชาและโอปปาติกาคำโอติปโอปปาติกากําเนิดส่วนกายายตนะได้คำเนิดทั้งหมด